เจ้ากันมาซ่องายแต่บ้านแห่พะเวนถนนนี่คือประเด็นแรกนะเนี่ยอันนันคือกันอนะันคือกันวัดเนะี่ยปะเป็นแรกเราเิีหายมิดหาได้มือละลานกระบวยยูมือละพันล้านกระบวยยูผีมันไปมีผีตัวผีมันเขามาจับหัวใจเนี่ยลืมตัวลืมตัวแล้วคันเนี่ยมันเ ข, าข้าหัวใจพาละ บักนั่นบักนึ่งบักมันเข่าหัวใจบักยังบักสุร่าเนี่ยเขามันเนี่ยขเข้าหัวใจเพืดด่ออะไรเราไมเห็นให้เป็นบ้ายู่ไมมมีเขาเว้นขึ้นนะบักสุร่าว ด, ดวีดเดีนกับโยนหฮันสารพัดขอบพัดนัางกินนั่งกินกับม่วนเนะ่ของของพี่บ้าอาหารพ์นั่นบะ อ, อาหารกับานั้นสารพัดของมองเป็นไรๆคนกินเขาท่านทาเพิ่งฝ้ายองอาถท่านสมัยสบบนนะัมปะพุนบัด ฮ่าเงี้ยมันเสียแล้วเป็นผู้ลาสมัยแม่นมะวะเวลามันเมาท่านสมัยมดเ น, นี่ยแม่นมวะของขนพิบะของขุนพิบะอาถารนเดีย๋ยวจะไปเฮ็ดบัตรสุรามันเป็นกรอบตัวเดีย๋ยวไปเอามา ก, กินมันนักเลงหญิงนักเรียนสุนานักเลงเล่นการพนันเขาคนชั่วเป็นมิดหนึ่งถ้าเรามาศาสานารองห้าเพราะเรามาศาสานาเป็นศาสนายเอกในโลกผ่านมาแล้ว ผ่านอุปสรร์มาแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราไม่ใช่มาได้ผ่านผ่านมาแล้วประสบการมาแล้วใครจะผ่านเท่าเพราะเรามาศาสนาไม่มีหรอกนะลกูกจึงได้มาสอนพวกเรายอดคําสอนก็คือครรําสอนพระพุทธศาสนาัเองธรรมดาสอนโอกก็คือครรําสอนพระพุทธศาสนาเองแต่เราขี้โอข้ามกลายท่านไปซะ ไม่เอามาพิจนารณาแต่พอรู้ตัวมันก็ตั้งไม่ไหวผู้ที่เขาว่าไม่มีบุญไม่มีบาปนั่นพอเขารู้ตัวเขาก็ตั้งไม่ไหวไม่มีทุนจะ ต, ต่อสู้เห็นไหมแต่กระเจงิงครับกระทั่วทุกคนทุกแห่งเพราะถือว่าไม่ไมีบาปไม่บุญนั่นเองคุณพ่อคุณแม่ไม่มีนั่นเองแบาปบุญคุณโทษไม่มีนั่นเองแบบ คำช้อนใด ใ, ในใจโลกธาตุมันจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีเลยก้นไม้ก้นหงูก็อนทักก้อนพว ก, ก็ตามเถิดถ้าตั้งขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสนาแล้วมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนั่นนั่นนันจะกี้ลาดมาตตาก็ตามเถิดถ้าไม่มองดูพระพุทธศาสนาน่ะมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันพระพุทธศาสนากฎ อ, อ น, นไม้ให ญ, ใหญให่โตโตก็มีอยู่ทำเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้ากฎหมายใดๆที่ล่วงละเมิดต่อบาปต่อบุญไปกฎหมายอันนั้นไปไม่รอดไว้เต็มตัวก็เหยียบขี้วัวเต็มตีนถูกไหมนั่นเอา้าโลกมีเพียงศิลป์าเท่านั้นตำรวจไมีไว่ายทำไม่ทหารไมีไว่ายทำไม เร่งเขียนห้านั้นหละขาดของเฝ้าทำไหมเวนยามมีไห้ทำไมเรือนจำไม่มีคุกตารางก็อันเดียวกันไม่มีตารวจทหารหมมไม่ต้องมีเวรเวียมเฝ้านะรักไถรักถอนไม่มีศาลดีกาสารตัดสินศาลไต่สวนไม่มีมองดูหน้ากัน ก็เป็นทำอันสังเวชไม่เหมือนยักษ์เหมือนมีไม่เหมือนมาราสตาราอาวุธมีไว้ทําไหมสตราอาวุธก็คืออะไรเครื่องเครื่องจองเวรจองภัยใช่ไหมมึงโป้งกูกูก็โป้งมึงมึงโป้งกูกูก็โป้งมึงมึงตัดคอกูกูก็ตัดคอมึงลูกหลานกูก็มีกูทีมึงทีไม่แลี่ไม่รอดจนเข้าสู่พระนิพพานนัน่เห็ุแหงที่พวกเรา มาศาสด า, าจึงบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาต า, ป า, า, ป า, าเป็นก็ห้ามสิ่งที่มันเป็นปราณมันมีชีวิตย่เด่าเวรมณีให้เวน้นซักเวน้นอันนี้เวน้นแล้วสิขาประทางสมาธิยามิเป็นสิขาวรหนึ่งหนึ่งอธินนากาเ ม, มืองมุสาสุราก็เหมือนกันนั่นนันั่นคำสอนไหนจะไม่ไปดีเท่า ค, ำคำาําสอนพะุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยขาวใดโรกคนละมาย เพราะโลกปีนเกลียวพระพุทธศ า, ส, าสนานั่นพูดหน้าไม่พออธิบายพูดหลายก็ผิดกับโลกหัวใจ <c oughs> อ, อ่าฮะเกิบขันคำว่าขันท่านแว่ออกศีละขันหมดศีลสมาธิขันหมดสมาธิ ปัญญาขันหมวดปัญญาวิมุตติขันหมวดนิมุตติวิมุตติญาณทัศนะขันหมวดวิมุตติญาณทัศนะอันนั้นเป็นขันเฉพาะปฏิบัตินะทีนี้ท่านท่านแบ่งขันออกอีกรูปขันดินน้ำาฟรมชมกันเป็นกายเดียวว่ารูปขันเวทนาขันความสวยอารมณ์สัญญาขันความจํา้ำขนขันความรงแต่แห่งจิต วิญญาณขันความรู้ทางตาทางหูทางกมะบอกทางรินทางกายทางใจขันตาขันความจำขันทั้งหลายเหล่านี้ย่นลงมาเป็นเอกขันทีนี้ย่นขันห้าลงมาเป็นสองรูปขันนามขันเอกขันขันทั้งหลายก็ดีรูปขันก็ดีนามขันก็ดีเกิดก็น่ากับแย่ก่อนแต่แย้งหายไม่ใช่ไม่ใช่คนตัวตนเรเขาเลยเหตุฉะนั้นจึงว่ารูปังอนิจจเวชนาอนิจจสัญญาอนิจจสั้งขาราอนิจจ วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสั้งขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสั้งขาราอนิจจ่าสัพเพธรรมาอนัตตาติขณะแค่แนวรู้ตามจริงด้วยแล้วมาให้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเต่านั้นแล้วว่าตามจริงแนะสงค์คืนสมมุติก็รู้ตามจริงสมมติไม่รู้ก็รู้ตามเป็นจริงของไมุตุดแล้วไม่สําคัญตัวอยู่ในไมุตุดหรือในสมมุติเมื่อไม่สําคัญตัวอยู่ในไมุตุดในสมมติแล้ว วิญญาณปฏิสันี่ก็จบกันณนที่นั่นเองนะธรรมะชั้นสูงทีนี้เอาถามถามมาอีกตอบถูกตรงคำถามไหมล่ะถูกไหมถูกตรงคำถามไหมถ้าไม่ถูกก็ถามมาอีกถลก้ามีวริหน้าสภมะเอียต้งสเวทหน้าตจิตตัจรหน้ามันก็ไปมันมาไปแล้ว พอห้าวเหตุแห่งมนยุงเนี่รูปมันก็ะมันดินน้ำพระร่มระควนขนไม่ไฟันเหนื่งเนื้อเอ็นกระดูกเหยือนันกระดูกม้ามหัวใจทับทั้งปิดยใจปอดใส่ไงใส่หน่อยอาหารไม่อาหารเข่านี่เป็นกองดินดีสเสลดน้องเลือดเหงื้อมันเงื้อมันขนนำตาเปลี่ยวมันนำไร่นำหมูกนำไข่ขอน้ำหมูกอันนี้เป็นธาตุน้ำไฟที่อากาศให้อบอุ่นไฟที่อากาศให้สุดร่วมไฟที่อากาศให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารหาย่อยอันนี้เป็นธาตุไฟร่มพัดขึ้นขึ้นเบื้องบนร่มหาลมเล้อลมอวก รมพัดร่มเมืองตั้มร่มไผ่ร่มหรือร่มทายอุจาระทายปัสสาวะร่มในท้องหนอกใส่ร่มในใส่ร่มพัดไป่ตาตัวเซนเอ็นร่มหายใจเข่าร่มหายใจออกนี่มันธาตุดิ่มเวทนาข่วเสวยอารมณ์สุขทุกข์สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขเวทนาพอดีอันนี้ก็เป็นเกิดเหตุแล้วแต่ผลนันแหละสายอันเดียวกันวิมุตต์ก็จะไปฟื้วิมุต ย่าเอาสมุติกับอีมุดไปเป็นสงข้ามกันย่าสือเอาเขียนกับลบไปเป็นสงข้ามกันเขียนกันยังว่าเขียนลบก็ยังไาลบจะไปสองข้ามกันมันอะไรย่าสือเอาสมุติกับอีมุดไปเป็นสงข้ามกันว่ากันสมมุติว่าดินก็เป็นดินนะแต่ว่าดินด้วยในมันมันดินผู้ไหนล่ะมันน้ำเป็นดินไหล่ะอันนี้มันแยกอีกว่าหสมมุติว่าน้ำกับน้ำซะมันว่าน้านะน้ามันว่าข้าพเจ้าเป็นน้าผู้นั้นข้าพเจ้าเป็นน้ำผู้นี้มันก็บอะไรว่าฮะไฟก็ขึอนกันลมก็ขึ้นกันสมมุติว่าให้้จับความ สมุิดินดินจึงจะมีมันโมเมนมันมียก่อนขาจะสมุดานสมุดน้าบ่านทิศจะมีไ่มบอสมุิก็มีก็สมุดิขึ้่นตามที่ขอมีอยู่อันสมุิอันนั้นอยู่ในองแขนหลงพ่อไดบ่มู่ในวงแขนหลวงพ่อไหนเนี่วิมุตติก็คือกันมืดเออสมุิเรามืดอยู่ในวงแขนง่ไดนสว่างในวงแขนหลงพ่อไดบอมือวันเดือนปีอยู่ในวงแขนของไหบอวันวลาอยู่ในวงแขนหลงไดบอ เดี่ยวนี่ยืนอย a, back, ู่วงแขนทังผู้บหมือว่าในโรกยืนอยู่ในวงแขนทังผู้ไรบเมื่ออื่นอยู่อยู่ในวงแขนทังผู้ไรโบล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปอันนี้จังอันละเอียดให้รู้ทุกกระเบียดอย่าไปหลงเลยนั่นพระพุทธเจ้าสอนเห็นอันนี้จังขณะจิตหนึ่งเห็นโลกรอบนึ่งแล้วเห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึงเหมือนกันโลกเป็นธรรุของทุกได้เทามันเอเอาทุกวาเป็นเทาเท่าเป็นทุก่มันเท่าเชอเอาอันนี้ตมว่าเป็นเทาเทาเป็นอันนี้จังว่ามันเท่าเชื่อเตาอ ข้าจีพิกลู่ตามเป็นจริงไม่ผู้ลู่เขาก็ย่งสีพวกเอาซ้ำผเป็นแต่ซา ก, ก็ลู่ผลเป็นแต่ซา ก, ก็เห็นผลย่าสีพวกเอาจากแน่วอันดี ย, ย ก, กันสมมติเอานจนเ า, าหน้าจนบ่สมมติว่าเอาจนบ่สมมติว่าถิมผล่ะสมมติว่าเอาเ้าไม่ได้สมมติว่าเอาเขาจีถิมไม่แข็งแข็งเข้าไม่ได้สมมติว่าถิมเข้าจะเอาแข็งแข็งอันเดียวกันเข้าว่าสมมติว่าเา้าไได้เขียนเข้าจีลบแข็งแข็อันเดียวกันนะหะผลเข้าหน้าได้สมมามารถที่จะวนหรือว่าไรหลงเชิตายเอาปั ญ, ญาใช้ประโยชน์นั่ ผู้ลังก้นเท่กันล่ะอ่มาถามหลวงปู่หลวงปูลวงพ่อหลวงพ่อดิฉันภาวนาข้ามเวทนาไม่ได้ข้ามทุกไม่ได้เออท่านสาคัญว่าทุกเป็นตนตนเป็นทุกมันก็ข้ามทุกไม่ได้สิดิฉันทําจิตให้ว่างไม่ได้สําคัญจิตว่าเป็นตนจนเป็นจิตมันก็จิตก็ไม่ว่างําคัญว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ผู้รู้มันก็ไม่ว่าถ้าไม่สาคัญคันตนเป็นอะไรอะไรทั้งสิ้นแล้วมันก็วางอยู่ณที่นั่นเองนั่นนั่นน่น คุณพระพุทธระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณอันประเสริฐใครเป็นเจ้าของคุณไม่มีใครเป็นเจ้าของคุณเป็นธรรมอันเป็นของกลางเป็นเป็นคุณอันเป็นของกลางอย่างนั้นเองเหตุท่านจึงว่าทาเป็นของกลางมันเปนของผู้ใดเนาสมมุติเราเท่านจะกีเเท่าจะตะขอเอาน้ำพระหันตกอนมาสั่นผู้ข่าเคาะเอาผ้านี่านเนี่ยใช่ไหมสมองบ่ผู้ข่าเานี่โลกโกลงอะไรฮท่าตะเาอเอาน้ำพระเทวราชบ่บ่แล้วพระเทวราเอ้ยให้ผู้ข่าจักน้อยเนี่โลกลงาสั่นบ่แล้ว ถตารูจามตามเป็นจริงตอนได้มันก็หายไปตอนนั้นว่าไงคือเข้ารักตาขึ้นอุิมื่นตาเนี่ยมื่อต้องหนีซะด้วยสันเข้ากับ่าด้วาเนี่ยมันหนีเองวันมันเทียบเท่าอเน่ยเข้าใจแล้วตอนนี้นั่นพี่นาตามไปจริงคนนี้ลูกเรีนาณัญญาสัญญาม่้น่าแกออกตามอาการน่ือแกออกให้เาเห็นนี่สือากลางเข้านี่ยสกดมุนไปนกระสางก็ฟักเข้าเห็นนั่สือเนี่ยสิ่งแง่ออกมุ่นไปนกระสาง แต่่ออกเ้าเห็นว่ามันมันมันนมันดมันบุคลนเนี่ยมันไม่ได้เห็นนาไร่มเนี่มเวทานสังหารยากเกิดเ้ไปโ่ได้รับไปแลี่แล้วมันย็นนะแล้วมันไปต้องไปสั่ันสิมันกลวเยอะเกิหาลวามึงรความเกิดขึ้นก็หาราวามิได้ความแปลผลก็หาราวามิได้ความดับไปก็หาลาวามิได้ท่ายไม่เสร็มดับก็จริงอยู่ไม่มีกวนมันเกิหาลาวไม่ได้นะท่าก็รู้ทำเป็นจริงเ่าก็จิงข้อสองส่ท่าเป็นจริงเขาชัวนี่ไม คนเห่าเห็นว่าในหลวงเต็มไปด้วยอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันควบใชยานในโลกเขาสีมาจาก ป, ประตูไดสิมันควบใยานธิยานยานในหลวของเฮาบ่มีฮคนี้ควีใจเชื้อใจขอ ง, ลลงเฮาตลอดต้งเจ๊ใหอยู่ว่างได้สิเฮาบ่มีแหวังในในหลวงนี่มควมเกิดกินปุกนัแต่สายเนี่ยยูไปทั้งซาตายยูายทั้งชา้นนั่นสิมันมายูเพื่อสิกินเนี่ยเดี๋ยวนี่จินเพนื่อได้่ยูเพื่อเนีปัจบันเพื่อคนควบนงซื้อได้ ตาสู่ก็คงงบวบหลงเลยบวชมาต่อส we ู่ก็ควบหลงเลยไงนี่่มันบวชมาเพื่อจะเพิ่มควบโรคควบปวดควมหลงไหเกิดมาสางบารมียนงไงพุทธศสาเนี่ยกระสางบารมีเพื่อที่าะําทามารลบกันกับกิเลสยังไงคัณฑ์สัญญาเท่านี่ธรรมะชนะอะไรอย่าง้ย่างสิบนี่มาเกิดแก้เก็บตายเองบ้านเนาะามาจากเกิดเข้ามาจากแก่เข้ามาจากเก็บเข้ามาจากตายเขามาจากมาเกิดมาหาจินหขีจินเราขี่่พี่ก็เพี้ยแม่แน่ ยีนมนี่มัน อ, อึ้องแค่มากเพราะบาคนสุขยาอบอยู่เนี่ปากเกิดเคยมาแล้วนันต่างตื่เตียวมีแต่ไรลองดิวลองห้อง บ, บ, บอรัยนะตบอะกาหลวงู่นะอันี้ก็เสคลิปด้วยนะ อ, นอยากอากาศนีนนาาคลิปนะแลคลิปคลสบรรยากาศลวปู่ก็จะมาเร่อะไแล้วันี้นนนคลิปก็ดีอยู่คลิปแท้แท้แต่เดิมถ้าไม่ได้สอนให้ข้าศักนะ ต่อมาอีกต่อมาอีกเมื่อท่านรองรับไปก็มีผู้มาแปลคําสอนของท่านทว่าขาัดข้าศึกไปสวรรค์ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นนิกายหนึ่งอีกไปอีกแล้ไอ้ที่แท้คิดเบื้องต้นพระเยซูนระพระเยซูท่านมีกรรมบทสิบเหมือนกันกายกรรมสามวิธีคํามสี่มโนกรรมสามเหมือนกันท่านมีมีกรรมบดสิบเหมือนกันอยู่มาอยู่มานี่ เมื่อท่านลองรับไปแล้วเรามีคนมาแปลงคําสอนของท่านว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์มันผิดกันข้อเดียวเท่านี้นอกนั้นไม่ผิดเพราะว่ามาศาสนาเขาบอกให้ฆ่าให้ฆ่าความหลงของตนว่าอย่างไรฆ่ากิเลสฆ่าราคะโทสะโมหะของตนน่าย่างฆ่าความโรคความโปวดของตนนะพระพุทธศาสนากสอนให้ฆ่าเหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนบอกว่าพระผู้เปนเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นพระผู้เป็นเจ้าใจของใครของมันนั่นเองท่านพูดอย่างนั้นพระพุทธศาสนา ไม่ลงถูกไหมพระพุทธเจ้าใจของเราสร้างขึ้นอืมอันดีใจใครมาสร้างให้เราก็พระพุทธเจ้าใจสร้างขึ้นเสียใจใครมาสร้างให้เราก็พระพุทธเจ้าใจสร้างขึ้นใช่ไหมโปรดให้เขาจองเวรเขาใครเป็นผู้มาสร้างก็พระพุทธเจ้าใจสร้างให้ค่าสัตว์นักสร้างประพฤตินากรรมใครมาสร้างให้ก็พระพุทธเจ้าใจของเรานีเองเป็นหัวหน้าเขาสร้าง นี่พระพุทธศาสนาเขาบอกพระพู้เปเจ้าสร้างขึ้นเหมือนกันบาบุญคุณโทษกับพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเหมือนกันเข้าใจไหมใจเราเท่านั่นผู้เป็นเจ้าที่พระผู้เป็นอะไรก็ไปสูงพระผู้เปเจ้าอะไรก็ไปผูกตูงพระผู้เปเจ้าพานอะพระผู้เป็นเจ้าพาในคลองไขคล่องมันนี่สร้างขึ้นสูงไหมนั่ง ถ้าอะไรไปตูพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นพระพุทธเจ้าไป็ผีบาอะไรไปสร้างเสือมาให้กัดก่นทาไมมันจึงเป็นเสือเพราะมันเคยเป็นเสือมากรรมของสัตว์ทั้งหลายสร้างตนเองขึ้นคนชั้นต่ำทาไมจึงเกิดในชั้นต่ําเพราะแต่ชาติก่อนไม่เคยเคารพยําเกรงท่านผู้ใหญ่วิญญาณปฏิสนธิอันนั้นจึ ง, จงมาเกิดเป็นคนเกิดชั้นต่ำพระพุทธศาสนานี่ ผู้ที่อายุยืนทําไมจึงยืนนักก็เพราะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําลายชีวิตของผู้อื่นจึงมีอายุยืนผู้มีอายุยืนแต่ถ้าว่ามีโรคเบียดเบียนไม่ค่อยได้ฆ่าสัตว์แต่ว่าชอบเคี่ยนชอบตีสัตว์ทั้งหลายแบบเบียดเบียนก็เกิดเป็นคนมีโรคมากเหมือนลองุงปูเนี่ยเกิดเป็นคนมีโรคมากอายุยืนแปดสิบเป็นคนมีโรคมากเคยเคี่ยนสัต์เคยฆ่าสัตว์ เชี่ยับตีสับเชี่ยนสับที่หลัางล้อมปูนี่มันคันอยู่นี่อืออะไรมาใส่ไม่ถูกเลยจะว่าเป็นกากก็ไม่ถูกเป็นเกลื่อนก็ไม่ถูกพักเคยนี่ปลาตัวนี้ปลาปลาดุกตัวตัวเล็กๆขาดนี่ครับที่ปลาควายเอาเบ็ดตัวโตมาตัวโตมาเกาะหลัางของมันเนไงเกาะหลัางของมันนี่เขาไม่เชี่ยนก็ผูกตัวเบ็ดไปตามนี่เบ็ดเลย ปลาข่าวโตๆมากินเนี่ยผูกเบ็ดเนี่นกปูกนกปูกเขาขันเลยขึ้นคันเลยนีผูกท่านทำนาอะไรนอย่างเงี้ทำนาคนทำนาคนเจ้านะนี่นี่นี่นกผูไปยิงนกเขานกเขาคานเข้าไปขานเข้าไปเอาลูกก้องเปล่ายิงเคยเห็นไหมกล้องเปล่าเห็นไเปล่าได้ปลาเป่เาได้ปลาเป็นลูกดอกเป็นลูก้อก แล้เดี๋นี่เลยเข้านี่มันเลยเต็ดนี่มันก็ตกลงมาก็แต๊คตกแจ๊คลงมาแล้ก็จับชูขึ้นแล้วก็ถอดลูกพลุลูกแก้มก้องเป่าออกมันก็ก็ก็ก็ก็สามคำเทนานั้นพูดค่อยๆก็ก็ก็ก็มึงเถื่อมึงเถื่อมันจะไหวนั่นแหละนะคือมันจะไหวนั่นแหละทีนี่อยู่มาอยู่มา สี่ห้าปีหลังมานี่แล้วปูกก็ระเบิดขึ้นปวดโรคหัวใจตีบโรคหัวใจตีบวิ่งไม่ทันโรคโรคโรคหัวใจตีบไปศรีนครินทร์สามสี่ปีมานี่แล้วทำอันชั่วอันไหนเห็นอันนั้นเคยได้คว้าคว้าโคลและกระบือถูกขาของมันถูกขาของมันถูกข้อของมัน นี่มาเก็บได้สามสี่วันแล้วนี่นี่มเก็บได้สามสี่วันว น, น, น, น, 3, น, นี่นี่นี่นี่เก็บสามสี่วันนี่นี่เห็นเห็นพระักรพรรดิทันตาผู้ที่เกิดมาเป็นคนทุกคนเป็นจนหาอะไรพอจะได้ก็ไม่ได้พอจะรวยก็ไม่รวยก็พราะแต่ท่าก่อนขาดการบริจาคทานผู้ที่เกิดมาตระกูลสูง เช่นสมเด็จพระบรมราชาเพราะแต่ชาติก่อนเคารพมากเคารพผู้ใหญ่เคารพท่านผู้มีคุลอาวุโสเคารพมากเกิดมาท่านจึงเกิดตระกูลสูงและเคยมีวัตบตบทอีกหลายอันจึงได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงมีผู้เคารพนับถือมากน่ ะ, <c oughs> ะ, นนะนแล้วนะพี่ไปพอนะเหนื่อยละอย่าท้า ว, วาาทิวหะบุญลาภุริภูริเทวีสักก เยวเาโตสินังเปยังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมาหังสิบมณีวสมิจดุทัพย์ปุริยตุสังขปะจันโทปนารสโยธามณีโสติระโศยธาสภีติโยห์ว่จจันทสัุโคโสภโยตุภูโกวินามาเทวตนตรายโุกสาโโกพระอภิวาทนาสีลิสานจังุทธาปานยตาโรธมาวัิินูสุขังร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 คำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพระพุทธศาสนาะโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้รู้ไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่รู้ลึกขนาดไหนล่ะส <c oughs> วย <c oughs> ให้พอแล้ว <c oughs> ให้อายุวโนโอุขคังพลังพระให้เมพระ พ, ระพระลังให้มีกําลังจิตกําลังกายอายุให้มีอายุยืน วันณะให้เมยสุขกายสบายกายสุขะให้เป็นสุขพละให้มีกําลังกําลังกายกําลังกาให้แล้วลูกหรือนี่ลูกหรือใครอนน โ, โอ้ที่นี่ไปกับสามีไหมเนี่สามีเป็นพุทธ ท, ที่นี่เป็น ทีเป็นคิดกบกับหนูผูกขาติดกันหนูก็ปีนขึ้นเขากบก็ปีนลงฝั่งน้ำทะเละกันบ่อยนะก็ไม่ทะเลเราไม่ทะเลของใครของมันก็ช่วยกันช่วยกันตอนนี้มาหาลุงูก่ก็ช่วยผมเวลานผมไปหาบาหน่อยให้เขาไปหาบาหนื่อผมกช่วยนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นลังเลนะ ศาสนาแรงเลไม่รงเขตั้งใจแน่เา้มมใจแน่นแมหาลุงสูงนี่เขามาหาด้าว่ายิัมผมร่างนครับผู้ถือศาสนาพุทธมีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์ผู้ไม่ถือศาสนาพุทธก็มีคติเป็นสองพระบรมศาสนาไม่ใช่สัตว์วิริฐาน ก็เปรียบสุรกายสัตวนรกท่านพูดอยัางนั้ผู้ที่จะไปมรรคผลนิพพานจะเป็นพระสวสดิบาลสัตกตาคามีลาคามีก็ต้องมายินดีศาสนาพุทธเสียก่อนเช่นพระโมคกขลาสาดีบุตรก็ออกหนีมาจากสนชัยนาตบุตรเสียก่อนมหาปนิธานสูตรแล้วจะเทศยเอานางนี่ให้ถึงพระสวสดาบาลวันนี้ละจะเทศยเอานางนี่ให้ถึงพระสวสดาบาลวันนี้ละ นางนี่มีนิ ส, ยสัยโสดถึงโสดาบันอยู่นี่หน้าตาดูหน้าตาจะถึงพระโสดาบันในวันนี้ละถึงขั้นสุภัจปันโนโ อ, อ้นางนี้จะถึงวันนี้ละอ๋อไม่เสียดใจอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่เชื่อใจอยากกัถือสาธาอื่น นอกจากพระพุทธศาสนาไปไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะเล่นอบายมุขไม่เสียดา ย, ยาจะขอดเวนกับท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่แม่ถึงกับขอดเวรไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเนื่อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้พระสวสดาบันไม่ประกอบเลยไม่เสียดาย อยากกระเล่นสบายยัมุกเลยเพราะเป็นทางชิบหายดิ่งลงไปแล้วเห็นชัดดิ่งลงไปแล้วก็ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสิ่งไหนที่เห็นเ่าไม่มีประโยชน์มันก็ไม่เสียดายอยากแย่งล่วงละเมิดไม่เสียดายอยากจะซื้อศาสนาอื่นทีนี้มหาปรินิพพานสุดพระบรมศาสดาใกล้จะเข้าสู่พระนิพพานท่านหลา์องค์หนึ่งถาบทูลท่านว่าพระรหลานองนั่นบวชในวันนั้นก็สำเร็จวันนั้น วันปริพานะวันจะปริิพ涅นเพราะบุรุษศาสนาศาสนาอื่นๆถ้าเขาไม่ประมาทในศาสนาของเขาเขาจะได้ชุบวัจพันโนชุญาญาสามีหรือไม่พระเจ้าข่าญาเลือ่อยญาเลื่ยญเลยศาสนาอื่นพราะสวสดาบันไม่มสักทาคามีไม่มีเขาจะประพฤติดีสักเพียงไหนกว่าตามพราะสวดาบันไม่มีไม่มีสักกทาคามีไม่มีอานาคามีไม่มีสรนาันไม่มีมีก็มีในศาสนาพุทธเท่านั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีในที่นี้สานพูดยังไ ท่าพุทธเจ้ามากกว่าร้อยโกรธพระ อ, องค์ก็มัมีคําสอนอันเดียวกันไม่ได้แย่งแย่งกันเลยนั่นพระ บ, บรมศาลาประเจดเราไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทำเหตุฉะนั้นเราจรึงเคารพทำพระ บ, บรมศาสลาทานายของการจะเป็นสวรามันก็ อ, อย่าไปเล่นอายุกอย่าเสียดายเล่นอัายุกอับอายุกมันผิดทั้งนั้นนะผิดหมดอับอายุกทุกประเภทไม่เสียดายอย่าสงสารทิ้นหา ตียุงบ่อยๆนะให้มันไปสวรรค์อย่างนั้นหรืออย่าไปตีมันทีนี้งดนะเรื่องสายใ น, น พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์คือเรื่องสายคสอนของท่านไม่ใช่เรื่องสายพระพุทธรูปพระพุทธรูปทารูปเหมือนกันกันกบธงชาตินั่นเองธงชาติจะยกขึ้นเขารับธงชาติอาจจะแทะชาติมาอยู่กับธงอยู่นับผูกเขารับสินี่ฉะนั้นกรณีพระพุทธรูปผู้ปฏิบัติผู้เขารัพระพุทธศาสนาก็อยู่กับหัวใจของเรานี่ ไม่ได้อยู่กับรูปนั้นูปนั้นทำาะไเตือนเฉยๆพอใจนะไม่ยอมยังไม่ยอมนน่ยัง <Down S 1> ไม่ยอมางเยอยงอกได้ยอมไหมล่ะไม่ยอ ม, มยอมไหมไม่ยอมนะ ให้แล้วให้แล้วให้แล้วให้แล้วให้แล้วให้ล้พุทโธก็อยู่ที่ใจคุณหนูนั่นเองธรรมโมก็อยู่ที่ใจคุณหนูนั่นเองสังโฆก็อยู่ที่ใจคุณหนูนั่นเองไม่ได้อยู่ในที่อื่นความดีก็อยู่ในที่นั่นไม่ได้อยู่ในที่อื่นเงืนจาการ่าสัตว์รักทรัพย์เพื่อผิดในการมก็อยู่ที่ใจของคุณหนูนะ ไม่ได้อยู่ในที่อื่นไม่ได้อยู่ของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจที่อยู่ในใจนั่นเองนั่นนหละพระผู้เป็นเจ้าที่ควรเคารบสิ่งที่มันชั่วพระผู้เป็นเจ้าอันนั้นอย่าไปทําพระผู้เป็นเจ้าพุทโธก็อยู่ในที่ใจธรรมโมก็อยู่ในที่ใจสังโฆก็กลมกืนกันอยู่ในที่ใจไม่ได้อยู่ในที่อื่นเป็นเชือกสังเกลียวงัดเข้าใจนะทีนี้เออเราเกิดมาชตินี้ไม่ได้จิตแล้วเราเกิดมาเพื่อต่อสู้กับ กจริรุ่งรข้การเรยับพี่เพราพี่งนื่อแล้วกะจายี่นก็ได้เข้าจบ้าง น, นะนี่ปี่นี่เข้าจเลยวัเป็นชุกกป็ชุกมีธนาสัญญาสังขารวิญญาจะมีเท่าไรก็ตามก็เกิดขึ้นแล้วแ ป, ปลผนแล้วแตกสลายทั้งนั้นโทษในทาง ศีลชัน้นกลางสมาธิชั้นกลางปัญญาชั้นกลางศีล ส, สมาธิปัญญาชั้นสุดท้ายก็เป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักว่านามจะมีเท่าใดก็ตามเป็นรต่สักวารูปเป็นแต่สักว่านามพูกในชั้นศีลสมาธิชั้นสูงแปดมื่นสีพระธรรมขันธ ก็ย่นลงมาหารูปขันนามขันเท่านั้นศีลขันหมวดศีลสมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาก็ขันลงมาหารูปนามนั่นเองให้พิจารูลูกตามปจริงของกองนามรูปนามงแปลว่าชื่อมันรูปปังแปลว่ารูปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยืนยันได้จะเป็นของท่านผู้ใดเกิดขึ้นตามสภาวะธรรมที่แต่งขึ้น ด้วยอเวชาตัญหาอุ ป, ปาทาของสัตว์ทั้งหลายที่มาหลงทะลุตามเป็นจริงของกองนามรูปแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไปซักถ้าหลงกองนามรูปก็เที่ยวมาก่อกองนามรูปอยู่ที่นี่ที่ในที่นี่คือที่ไหนคือที่จิตที่ใจที่ทะเลหลงนั่นเองไม่เลยที่อื่นพูดไปไหนมันก็้าไไป ก็มาหากองนามรูปเท่านั้นถ้าทัตย์ทั้งหลายไม่หลงกองนามรูปทัตย์ทั้งหลายก็มาได้มาก่อกองนามรูปอีก เ, อเพราะยืนยันว่ากองนามรูปเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลนามังแปลว่าชื่อมัน ร, ไไวไวรูปังแปลว่ารูปสิ่งที่เห็นด้วยตาก็มีดินน้ำไฟลมเท่านั้นนอกจากนั้นก็ปรากฏรูกกับใจเรียกว่านานามังแปลว่าชื่อมันทรัพยนามก็าตามย่ำลงมาหาเอกนาม สัพระรูปก็ยอดลงมาให้คา ร, รูปในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นก็ฟันเฝือนะไม่ชนะชนะงนที่จะไปจำไปจดไปจำแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็เทศแต่ละบทระบาดเทศแต่ละท่านแต่ละบุคคลเมื่อรวมลงมาแล้วก็ลงมาอันเดียวกันเอกศินเอกสมาธิเอกปัญญาก็มีหลาชั้นเอกศินเอกสมาธิเอกปัญญา ของพระโสดาบันเอเกสินเอเกสมาธิเอกปัญญาของพระสกทาคามีเอเกสินเอกสมาธิเอเกปกัญญาของพระสกทาคามีเอเกสินเอกสมาธิเอเกปัญญาของพระนาคามีเอกสินเอกสมาธิเอกปัญญาของพระรหันต์ก็มียิ่งยอนกว่ากันในปัจจุบันตามสติปัญญาและญาณจัยุ y u ์ของแต่ละท่าน นาณาธรรมย่นลงมาหาเอกธรรมนานาศีลก็ย่อนลงมาหาเอกศีลนานาลูกย่นลงมาหาเอกลูกนานานามสัพโรคย่นลงมาหาเอกโลกสัพนามย่นลงมาหาเอกนามในปัจจุบันอันมีอยู่นะซึ่งหน้านี้ถ้าหลงก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงปัจจุบันอดีตก็ไม่หลงอนาคตก็ไม่หลงถ้าหลงปัจจุบันอันไหนก็หลงหมดถ้าดเท่านั้นปัจจุบันอันใด อดีตอันนั้นอนาคตนั่นก็รู้เท่าถ้าหลงปัจจุบันอันใดอดีตอันนั้นอนาคตอันนั้นก็หลงเหมือนกันมาจากนครปฐมใครก็มาจากนครปฐมเหมือนกันเพราปฐมจิตปฐมใจปฐมบุญปฐมบาปใครก็เกิดจังหวัดนครปฐมเหมือนกันคือใจเป็นนครปฐมปฐมของจิตปฐมของใจปฐมของบาปปฐมของบุญปฐมของการทํา การสร้างขึ้นพระนครปฐมปฐ ม, มของจิตของใจปฐมของบาปปฐมของบุญเรียกว่ามูลเดิมมูลเดิมเอกโมลเลย้นลงมาหาที่ใจสัพเพเตธรรมากุสลาสัพเพเตธรรมาอกุสลาบาก็เกิดที่เอกโมเรบุญก็เออเกิดที่เอกโมเรในปฐมจิตปฐม ใ, ใจในี่เองไม่ได้เกิดในที่อื่น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 ตัวสร้างเหตุเีขึ้นก็ไม่รู้ตัวสร้างเหตุชั่วขึ้นก็ไม่รู้ก็เป็นความผิดของใจถ้ามันยุตตาไปผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าใจไม่รู้จักจะให้ผีตัวไหนมารู้จักอีกน่กคนตายไม่รู้นี่โอยนี่อะไรเพราะวิญญาณไม่อยู่ในทนี่นั้นทำเร่ก็ทาให้ใจทำชั่วก็ทำให้ใจทาให้อันอื่นมันไม่รับใช่ไ มันไม่รับสาแร่มันไม่รับ ม, มันไม่รับสาแล้วมันไม่รับซักภาคอีสานมีทั้งภาคอีสานมีทั้งภาคกลางวมหายใจเข้าข้างหนึ่งมีโลกรอบหนึ่งแล้วก็มีทั้งสังขารรอบหนึ่งแล้วก็มีทั้งวิสังขารรอบหนึ่งแล้วมีทั้งศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งแล้วนั่น ถ้ามอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้ใดจะข้ามทะเลหลงไปได้นะกทำแทม้มีมากต้นไมใ้ใหญ่ๆตัโตถากันจะตายฟันออกจะตายมีแก่นนิดเดียวเอานิดเดียวทานาก็เหมือนกันทำเต็มไร่เต็มนาทางานจะตายเวลาจะเอาก็เอาเอาข้าปากแค่นั้นะถ่ายออกเวลาเอาก็เอานิดเดียว เอาแล้วเอาเข้าปากแล้วก็ถ่ายออกพอถึงเวลาถ่ายการงานอะไรทั้งหมดเต็มบ้านเต็มเมืองก็ตามทรัพย์สินสินงทายบริวารอะไรก็ตามก็มุ่งใส่ท้องแส่ปากเท่านั้นเค ร, รื่องุ่งหูลอุพโภคบริปโภคก็เพื่อกันความละอายความหนาวความร้อนเท่านั้นส่วนผลชุดท้ายที่จะเปลียนไปก็คืออาหารการเรียงการอาหารอาหารคือคำข้าวพัดสาหารอาหารคือสัมผัส มโนสังเจตนาอาหารอาหารคือมโนสังเจสนาวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณอาหารของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่สี่อย่างแต่พระนยะเจ้าท่านพ้นไปแล้วท่านรู้ตามใจจริงรู้วิ่ปฏิบัติตามใจจริงรู้วย่งดพ้นตามใจจริงด้วยท่านไม่ติดอยู่ด้วยจะรู้น้อยรู้มากก็าตามท่านไม่ติดอยู่ในผู้รู้ท่านก็พ้นไปสักปัญญาไม่แก่กล้าก็ไม่สามารถ จะข้ามทะเลหลงย่นทะเลหลงลงมานิดเดียวเท่าปลายเข็มก็ย่นปัญญาลงมาเท่ากันกับปลายเข็มเหมือนกันนักย่ น, ะยนโรคลงมาเท่าปลายเข็มก็ย่นศีลสมาธิปัญญาลงเท่าปลายเข็มเหมือนกันโรคยัดเยียดเหมือนปลายเข็มเหลือนอกนั้นไม่ใช่โรคสมมุติเป็นบุคลาธิฐานเน่ยเลือ้อกนั้นบัญญติรดาพระนิพพานก็าตาม ยัดเยียดขนาดปลายเข็มจนมองไม่เห็นมันแหลมขนาดไหนยัดเยียดขนาดใดนะเหลือนั้นเป็นพระเนพานสมมติเป็นบุคลาธิษฐานถ้าว่าเป็นธรรมทิศฐานเนี่ยพระเนพานจะเทียบอะไรก็ไม่ถูกคือหายเพลินในวัฏฏสงสารเพลินในวัฏฏสงสารก็คือหลงหนทางก็คือหลงศีลสมาธิปัญญา เขาเรียกว่าไม่รู้เท่าสีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาเป็นสีนสมาธิปัญญ า, า, ญญาที่เห็นภายในวัฏสงสารผู้ใดเห็นภายในวัฏสงสารจะเป็นหัวดำหัวขาวกว็าตามเรียกว่าภิกษุนะผู้เห็นเพลินในวัฏสงสารแปลว่ามานกิเลสมานมานคือกิเลสมันต้นได้แล้ว มันเอาเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเมืองขึ้นของมันแล้วยากจะปลดเอกออ ก, กจัดได้นะแถือว่าพระพุทธศาสนาก็หวังเพื่อพ้นทุกข์นว่าจ้าสงสารเท่านั้นไม่ได้หวังอันอื่นสหรับผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ที่ยังอ่อนอยู่ก็แล้วแต่จะน้อมไปในมนุษย์สมบัติบ้าสวรรค์สมบัติบา้าพรสมบัติบา้บบา บาลามีมาลามีแก่กล้ามาแล้วเนิพานสมบัติเลยตัดเพลินเลยไฟลุกแดงล่ออยู่เทน้ำใส่เลยเพราะน้ามก็ไม่อดวิธีเ ท, ทใส่ก็รู้จักรถดับเพลิงก็รู้จักแล้วพูดมากก็มากออกไปกากไกลพูดน้อยก็น้อยลงมาหาใจทําแท้ ม, มายมากทําแท้มีนิดเดียว ที่พูดเ่มาม้าพระรัตว่าก็เพราะโอหารโวหารก็ให้หารลงเอาไปมายัดไว้ที่นั้นว่าที่นี่ว่าเป็นกนเป็นตาราว่าเป็นจินตกวีว่าเป็นอะไรต่ออะไรว่าจินตกวีเพื่อขยายเรื่องจริงให้เขื่องเพื่อให้ไพเราะในเชิงกาบไอ้แท่ ศีลก็มีตัวเดียวสมาธิก็มีตัวเดียวปัญญาก็มีตัวเดียวเท่านั้นคือตัวใจผู้ที่จะออกลิงออกลายไปก็ตัวใจผู้ที่จะยุดอยู่ก็ตัวใจเท่านั้นไม่มีตัวอื่นใจเป็นพระ涅槃ไหมใจเป็นหนทางปฏิบัติเข้าสู่พระนพานค่าๆกับเรือค่าๆกับรถค่าๆ ก, กับที่อาศัย พระนปพานเป็นใจหรือไม่พระนปพานไม่ได้บัญญัติไหว้ใจเหตุฉะนั้นขันตึงบัญญัติว่ารูปิฏเกตสิกนิพพานนิพพานมัใช่ใจใจไม่ใช่พระนปพานผู้ใดยังยึดมั่นถือว่าในใจก็ไม่ใช่พระนิพานมาโนโอนัตตาธรรมอนัตตาใจไม่ใช่ตัวตนธรรมไม่ใช่ตัวตนนะักถ้าจะยืนยันไหวใจเป็นพระเนปพาน ก็ยืนยันว่าตนเป็นพระเนพานพระเนพานเป็นตนมันก็ยิ่งกันไปใหญ่กันละอุปาทานนั่นยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจก็ตัวมาหาอุปาทานยึดถือผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้ก็มาหาอุปาทานอีกเหมือนกันยัาไม่ใช่พระเนพานใจจะว่างธรรมจะว่างก็เพราะไม่ยืนยันว่าธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมอดีตอนาคตปัจจุบันจะว่าง ก็เพราะไม่ยืนยันว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นตนตนเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นสมมติแค่กันตามฐานานุรูปเพื่อให้รู้จักความหมายอดีตก็คือนิทานของปัจจุบันนั่นเองอนาคตก็คือนิทานของปัจจุบันนั่นเองเพราะผู้ปัจจุบันเป็นเป็นผู้ไปมุ่งหมายนันนั่ดินน้ำไฟลมมันยืนยันว่ามันเป็นของใคร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 สมมติขึ้นมากก็ยิ่งหลงมากยิ่งหยอกเงาเงาก็ยิ่งหยอกตนนั่นทำไมจึงสมมติขึ้นมากก็เพราะมันไม่พอใช้ก็สมมติขึ้นเมืองพอมันไม่มีมันจึงสมมติขึ้นพนันเบื่อเล้วเบื่อเมืองพอล้วจะสมมติขึ้นกี่ล้านกี่แสนก็าตามท่านก็ไม่หลงท่านผู้พ้นไปแล้วจะไม่สมมติท่านก็ไม่หลง ไม่ติดในสมาธิด้วยไม่ติดในปัญญาด้วยไม่ติดในผู้รู้ด้วยไม่ติดในอดีตนอนาคตด้วยคล้ายกับลมพัดไปแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปล่วงไปยิ่งพูดอะไรก็ยิ่งล่วงไปท่านั้นยิ่งนึก่าไรก็ยิ่งล่วงไปท่านั้น น, นั่น น, น, น, น, น, นัเป็นคำเก่าหรือคำใหม่ที่คำพูดที่คำนึกคำคิดอยู่เดียนี้ก็เป็นของเก่านั่นเองนั่น ใจก็ดวงเก่าตาก็ดวงเก่าเทียนรูปกันอยู่นี่โหก็อันเก่าหนังเรื่องหุ่นกระดูอยู่ก็อันเก่าไม่ใช่อันใหม่เอสัธรมโมสันตานุพระธรรมเป็นของเก่านั่นเองศีลก็เป็นของเก่าสมาธิก็เป็นของเก่าปัญญาก็เป็นของเก่าพระนิพานก็เป็นของเก่านั่นเองแต่เป็นของเก่าที่ควรรู้จักความหลงของตนไปหลงไปหลงยึดถือว่าเอาเป็นเจ้าของไปเที่ยวกำไปเที่ยวกอบไปเที่ยวหอบไปเที่ยว แบกใส่รถฟืนรถไฟไปตาคนก็ต่างเข็นเอาตาคนก็ต่างหอบเอาลมเอาแร่ยึดถือเป็นเราเป็นเขาเป็นศาสตร์เป็ น, ปนบุคคลเนี่ยของกูของมืองรบด่าขา้าไฟชารพัดพูดให้น้อยลงหงายให้น้อยลงย่นลงถ้าพูดแทบครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธเนี่ยเทศทำไมจักรบวตระาสูตรอ่าแล้วก็เทศทำไมจักรบวาตระตสูตร ผู้ใดพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เรียกว่าพิจารณาอนัตตลักษณ์สูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนนักผู้ใดพิจารณาทุกข์ก็เรียกว่าพิจารณาอนัตตาทำและพิจารณาอนัตตลักษณ์สูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลงคืนผู้ใดพิจารณาชาติเป็นทุกข์ก็เรียกว่าพิจารณาธรรมจักกัวัตนลสูตรอยู่นักอันเดียวกันไม่ใช่คนละสูตรสูตรจะว่าจี่สูตรก็ตามก็หนังอยู่ห้มอยู่โดยรอกเรียกว่ามโมสูตรกายสูตรว่าจีสูตร่ะ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 ทำไม่ได้มาหลงใจใจไปหลงทาต่างหากถ้าใจไม่มีธรรมมีไหมธรรมมีอยู่ตามธรรมอภิใจไม่มีธรรมก็มีอยู่ถ้าทรรไม่มีอยู่ก่อนใจใจก็ไม่สามารถจะรู้พระบรมศาสตร์จึงเขารกธรรมจึงปฏิบัติธรรมจึงเลือกเว้นธรรมธรรมที่เป็นบาปก็เว้นธรรมที่เป็นุญก็เจริญก็เว้นอยู่ที่ใจก็เจริญอยู่ที่ใจนะ พูดลงมานี่แล้วมันก็ไม่กว่าคำเพีใจมาจากคำเพียไหนมาจากคำเพีมโนกุ๊ังนั่นเองขมาทํามามโนเสถ่ามโนมายา น, นั่นเองมาจากมูลเดิมนั่นเองสรัพเ์เทธรรมาโพสลราเอกะมู ล, มลมีมูลเดิมมูลเดิมมรกเดิมคือใจถ้าทำผิดก็ใจเป็นผู้รับสิ ถ้าทำถูกใจก็เป็นผู้รักสิถ้าใจเป็นผู้หลงใจใจก็เป็นบ้าอยู่ที่ใจสิถ้าใจรู้เท่าใจใจก็พ้นจากใจสินะพระตไตรปิฎกมีทั้งสี่สิบห้าเล่มมีทั้งห้าร้อยเล่มของปุ้ยแสงสายใครจะไปจำได้หมดน ะ, ะต้องสังข์หัวหลงมาสิ อย่างเ่นั้นท่านจึงบอกว่าสังเโหอสังโหสังเตเตนะสังเกตังสังเกเตนะสังเังอสังเเอนะอสังเกตังสังเกเตสังตังสมโยโควิบโยโคสมยุเตนะุตังปุยยุตนะสมังอสังเกตังท่าจมยาชักปัญญติโยขันธ์ปัญญัติอายตระะปัญญาติสจจะปัญญติอินทรียะปัญญติภุะปัญญติจิตรวัตภูเกราะนาะปัญญติสมัยอย่างอุตโตสมยอย่างอุตโตภูปะธรรมโอภูปรรโมปณิหานธรม เจตนาพระโพธิท่านบัญญัติลงมาใครเป็นผู้ว่าใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นก็จิตใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นนั่งว่าไปวันยังค่ําก็เป็นเป็นเรื่องของใจเท่านั้นเรื่องของอื่นไม่มีตนก็ต้องรับผิดชอบเอาเองใจจะไปด้วยเศษไปให้ใครก็ไม่ได้ถ้าพ้นจากใจก็พ้นจากโรคทั้งปวงถ้ารู้ว่าใจก็รู้ท่าโรกทั้งปวงถ้าข้ามทะเลใจก็ข้ามโรคทั้งปวงข้ามทะเลหลวงทั้งปวง ถ้ายึดถือใจเป็นเราเราเป็นใจก็ข้ามใจไม่ได้นะักเอาใจเป็นตัวศีลเอาใจเป็นตัวสมาธิเอาใจเป็นตัวปัญญาเอาใจเป็นตัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนใจจะมีที่ละล้านพระองค์ก็มาสอนใจคนาบ้าใบเสียเจดีย์ผิดมนุษย์พระพุทธศา ส, สนาก็สอนไม่ได้ทําไมจึงให้มองดู สมาธิเพราะให้ตั้งมั่นอยู่ที่ใจสมาธิไหนๆก็ต้องใจเป็นหัวหน้านะักปัญญาใดๆก็ใจเป็นหัวหน้าศีลใดๆก็ใจเป็นหัวหน้านะักถ้ามีปัญญาก็มีอยู่ที่ใจถ้าใจไม่มีปัญญาใจก็ต้องอาศัยไม่มีใจจะไปอาศัยที่อื่นไม่ได้ปัญญาจะไปอาศัยอาศัยที่อื่นไม่ได้ก็เกิดขึ้นจากใจให้ครูวันใจใจเป็นผู้พิจนารณาใจ เพราะมันมีใครมาแยกทํางานก็ใจอันเดียวทำงานสติก็อยู่ที่กับใจคนม้าใบเสียจริตเพีดมนุษย์สติมันไม่มีเวลาเราหายใจเข้าออกใจมันอยู่ที่ไหนใจมันก็อยู่กับสติกลมคืนกันน่ะสมมติให้อยู่ไหนก็ได้เพราะมันไม่มีตัวมันไม่หนักมันไม่มีเขามีงานมันไม่เหมือนรถดวนรถไฟมันจะไปที่ไหนมันก็ไปได้เร็วกว่ารถดวลรถไฟอีกสักย เร็วกว่าลูกกระสุนอีกด้วยนั่นโลกจะมีกี่ล้านล้านก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งเท่านั้นส Southeast ัพพทุกข์จะมีกี่ล้านก็ย่นลงมาเปเอกทุกเท่านั้นนั่นสัพพเกิดจะไม่เกิดอีกล้านชาติแสนชาติก็ตามก็ย่นลงมาเป็นเอกเกิดเอกทุกขเท่านั้นหนึ่งเกิดเท่านั้นธาตุดินจะมีมากสักเพียงใดก็หนึ่งดินเท่านั้น ้าไฟจะมีมากเพียงเท่าไรก็หนึ่งไฟเท่านั้นถ้าลมจะมีมากเท่าไรก็หนึ่งลมเท่านั้นนั่ น, น, นย่นบรญญับลงมาย่านสมมุติลงมาทีนี้จะไม่ย่นก็ตามก็ไม่สามารถจะทำให้ใครหลงได้พราะยุครูทั้งขยายรูทั้งย่นลงแล้วเชือกเส้นเดียวถึงไปยาวเหยียดก็ไม่ต้องหลงโค้งมาก็ไม่ต้องหลง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 พระปัญหามันมากก็ะโกมีมาสิถ้าปัญหาใจไม่มีมากถ้าปัญหาไมมากใจก็ไมมากใจจะมีกี่ดวงก็ตามก็มีดวงเดียวเท่านั้นขณะของปลายใจไปตัางหากที่ปัญญาท่านแปดสิบเก้าดวงก็ดีร้อยี่สิบดวงก็ดีก็พระมันไปสะสมกับความหลงของตนถ้าไม่หลงก็มีใจดวงเดียวเท่านั้น นอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะหลงใ จ, น อ, จใ um, นอกจากใจก็ไม่มีอนไดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะสร้างเหตุขึ้นนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะรู้เท่าเหตุนั่ตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่ทำลายของตนก็คือใจตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเท่านั้น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 ของอันเดียวไม่ได้เกี่ยวกับการสงสัยสงสัยไปหาผู้อื่นใครเป็นผู้สงสัยใครเป็นผู้สงสัยก้อยใจนั่นเองผู้สงสัยใครเป็นผู้แย่งแย่งสงสัยมามามามาเถอมาเถอให้ข้าสงสัยด้วยตาให้ข้อสงสัยให้ข้าขอสงสัยกับใจด้วยหูให้ข้าขอสงสัยด้วยให้ข้าขอโลกขอโกดขอหลงด้วย เขาก็ไม่มาแย่งตาไม่ไม่ไม่ไม่มาแย่งใจใจเป็นผู ate, ้บัญญัติขึ้นตาหูจมูกกลิ้นกายตาเป็นผู้ใจเป็นผู้บัญญัติขึ้นอครับครับครับตาเข้ามาไหนครับหูก็มาไหนครับจมูกก็้ามาไหนครับลิ้นก็ไม่ไหนครับปฏิเสธเข้ามาไหนปฏิเสธโอเบคขาก็้มาโอเบกขารับก็้มารับปัดก็้มาปัดนับ ด๊อกเราก็คายใจอันเดียวนักนนักนนักนนั่นนั่นอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ว่านั่นก็นั่นกับใจนั่นเองใจเป็นผู้ว่านั่นนี่ก็ใจเป็นผู้ว่านี่ได้เขก็ใจเป็นผู้สมมุติว่าได้เสียก็ใจเป็นผู้สมมุติว่าเสียดี่ใจก็ใจเป็นผู้สมมุติขึ้นเสียใจเข้าใจเป็นผู้สมมุติขึ้นวางเฉยก็ใจเป็นผู้สมมุติขึ้นนั่นก็เป็นบ้ากัทั้งวันทั้งคืนแล้วจะไปทิ้งว่าให้ใครที่นี่ท่านไม่รู้เท่า ตัวที่นี่นั่นก็ยอกเงาของตัวจะไม่มีกลางวันกลางคืนนั่งนันั่นนเหมือนปลาบินในบกยิ่งดิน้นก็ก็ยิ่งเกือกดิ้นก็ยิ่งตายปลาดิ้นในบกตกเขตตายหยอกเงาตนเองคือใจนั่งนั่งนัใจไม่มีอยู่ที่นั้นไม่เห็นมีโทษอะไรตายแล้วนอนชัยอยู่ที่นี่ตา ย, ยตามที่นี่ เขามาขี้ใส่ก็ไม่เห็นว่าอะไรมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือใจอ่ะมึงไม่รู้จะ ก, กูหรือกูนี่เองนะใจตายแลยเขาไปขี้ใส่ผาดก็ไม่เป็นไรเขาข้ามหัวก็ไม่เป็นไรนั่นเหตุที่นั่ น, น, นท่านพุพ้นไปแล้วท่านจะว่าเมื่อนัดเสียงปีนี้เป็นนติ เบือ่อนายใกเคยถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเบือ่อนายความหลงจะขุดขมิงเป็นแ่เบนทัตินายตาเคยยืนยันว่าตาเป็นตนตนเป็นตา